ทีนี้เรื่องของตุ๊กตาตัวที่12บสองนะสิบสองหรือสิบสามวครับตัวที่12 12ะนะฮะแม่ซึ่งจะสอดคล้องกับดวงสตาของเมือเหมือนกันนะนะคะ ค, คือตุ๊กตาตัวที่12เนี่ยเขาก็เช่นเคยเนะพอพระราชาโพชะจะก้าวขึ้นไปเนี่ยเ้าก็ทักทวงว่าอย่าเพิ่งเลยฟังเรื่องของท้าวิกรมาทิตย์เป็นอุทาหรณ์เป็นเครื่งประดับสติปัญญาซะก่อนนะคะ ก็อย่างที่ท่านผู้ฟังที่ติดตามมาคงทราบแล้วนะคะเรื่องวิกรรมาจลิในเล่าสืบเนื่องมาท่านผู้ฟังใหม่ๆนี่นะคะก็จะต้องเล่าย้อนไปสักนิดหนึ่งในคำของพระอินทร์ที่เคยมอบนะคะสิงหาสนธทวตริงสติกาเรียกว่าเป็นบัรลังก์ สําหรับพระมหากระสันั่งเนี่ยจะต้องก้าวบันไดขึ้นไปเนี่ยแต่เป็นอันนี้เป็นบันลังพิเศษที่พระอินทร์มอบให้มอีตุ๊กตาอยู่3ามแสดงถึงความดี32ประการซึ่งเป็นที่มาของว่าถ้าหาว่าใครมีความดีครบส2ประการเนี่ยก็จะมีลักษณะปุริสาลักษณะสิบสองประการเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคําพระอินทร์ที่พูดถึงคุณธรรมของวิกรมาทิติเราให้รัตนาบรรญงนี้แก่เธอ เพราะเธอเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันยอดยิ่งแท่นนี้ได้ชื่อว่าสิงหาสนะทวาตริงสติกาเพราะประกอบไปด้วยศีรษะตุกตา32หัวเป็นบันไดผู้จะขึ้นบันลังนี้จะต้องเหยียบศีรษะของตุกตาขึ้นไปจนถึงอาสนะเบื้องบนหัวของตุกตาตุกตาแต่ละหัวก็แทนคุณธรรมแต่ละอย่างซึ่งเราคิดว่าเธอเป็นผู้มีคุณธรรมครบสามสอย่างอยู่แล้วเธอเป็นมนุษย์ผู้เดียวที่คู้ควรสำหรับแท่นนี้ นะคะครับซึ่งก็เป็นที่มาที่ต่อมาเนี่ยหลังจากที่อุชินีน ะ, ะหรือท่าวิกรธรรมที่เนี่ยหมดสมัยของลงไปแล้ว1000ปีท่านนี้ได้จมลงสู่ดินครับนะคะสู่ถ้มพระราชาโพาชาเป็นผู้ที่ขุดค้นพบขึ้แล้วก็ไ ด, ไ, ได้ทราบเรื่องราวพระองค์ก็ค่อยๆก้าวแทนนี้เพื่อที่จะไปนั่งอยู่ในรัตนบรญยงนี้แหล ะ, <ฮ>ะแต่ว่าตุ๊กตาแต่ละตัวก็จะต้องชิงกันเล่าเรื่องตามลําดับขั้นตอนว่าครับถ้าจะไปนั่งเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมอย่างนี้นะ คือบันไดแต่ละขั้นจะมีหัวตุ๊กตาแต่ละหัวเนี่ยรเรียงรายขึ้นไปทั้ง32ขั้นนะครับซึ่งพระราชาโพชาเองก็เต็มใจที่จะฟังในคุณธรรมของพระเจ้าวิกรธรรมทิศในอดีตนะคะซึ่งตัวที่12ก็เริ่มเล่าว่าตอนที่พระเจ้าวิกรธรรมทิศเสวยราชสมบัติอยู่ที่กรุงอุชยินีนั้นนะ่ยมีไวยยะไวยาชนี่เป็นภาษาสุสกฤตครับคือวรนนแพทย์นะนะเป็นพ่อขาอาศัยอยู่ที่แม่นากรมีชื่อว่าพัทรเสน พระราเสนี่มีบุตรชายคนเดียวชื่อปุรันทระนะคะภาษาบาลีก็คือปุรันทร น, นะคะภาษาสัก krit คือปุรันธระพระธราเสนี่มีทรัพ์สมบัติมากมายมากเลยล่ะ ค, ะค่ะแต่ปางคนที่มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมีงบประมาณอะไรจัดสรรเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าเห็นว่าการประหยัดนะการใช้ชีวิตที่พอเพียงเนี่ยทำให้มีทรัพย์ดารงอยู่ได้นาน ถ้าสุลุยสล่ยคิดไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลังทําไปถึงแม้ว่าจะเกิดทรัพย์สินงอกเงยขึ้นมาก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะถึงความหายนะได้ในที่สุด<ม>ต่อมาพ่อค้าสิ้นชีวิตลงปุรันตระได้ครอบครองสมบัติทั้งโปง่งแต่เพียงผู้เดียวก็วา น, นิคดมนะคะลูกของบุตรพ่อค้าเนี่ยไม่ได้เห็นคุณค่าของทรัพย์คะ่ะคุณชูวิทยเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้หาของมีอยู่แล้วพอมีโอกาสโอ้พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ก็จับ ใ, ใช้สออย่างสุรุยสุร่ายตามชอบใจบดำรงชีวิตอย่างฟุ้งเฟอ้อหรูหลาหมกมุ่นอยู่แต่ความบันเทิงสุขไม่เว้นแต่ละวันทำให้ทรัพย์สินอันมหาศาลล่อยล่อลงเรื่อยๆเมื่อวันก่อนนะคุณชุนแอนได้ดูทีวีจะเป็นโฆษณาหรือเป็นอุทาหรณ์ก็ไม่รู้เขาเขาทำภาพของสมัยยุธยาตอนปลายนะคะสมัยรัชสมเด็จเจ้าเอกทัศนะคะคคที่มีการดื่มสุรา เท่ยกลางคืนมีนาลีมีอะไรอู้เหยาสนุสนานนะคะเสร็จแล้วก็ตัดภาพจําลองมาปัจจุบันเป็นรูปสระน้ํางานเลี้ยงเทเล่าลงไปในสระกระโดดลงน้ําลงไปเป็นงานที่หรูหราฟุ่มเฟือยแล้วก็จบทั้งด้วยคว่าความร่มจม่นไฮน้นะของชาติมาจากสมัยของครูงศรีทยุยามาจากความฟุ่มเฟือยซึ่งจําลองภาพมาเนี่ยมันเหมือนแต่ละยุคเนี่ยมผมฟังแล้วขนลุกเลยท่าอาจารย์ครับแล้วเขก็เขียนทีวีก็เห็นว่าใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริคือ้าบจะไม่ต้องอธิบายเลยทุกคนต้องแหเขาเอาภาพมาจำลองนี่เองก็สะดุ้งเอ๊ะเราทำอะไรหรือเปล่าพอคิดไปคิดมาเราไม่ได้โผล่ไปไหนเลยก็เลยก็ค่อยสบายใจนะคะก็เอาเป็นว่าในในปุรันธระเนี่ยนะคะก็คงจะใช้ชีวิตอย่างนี้แหละทรัพย์สมบัติก็หายไปหมดนะคะยังยังไม่หายแต่ลดจำนวนลงไป พ่อค้าหนุ่มผู้หนึ่งชื่อธนทะธนทะธนะนี่ก็คือทรัพย์เงินธนนะผู้มีทรัพย์เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของปุรันธร ะ, <ฮ>ะก็แหม่ทนดูไม่ได้สหายของเราเนี่ยเดินลงเดินลงทุกวันวันหนึ่งได้โอกาสก็ตือนสติก็อย่างที่บอกก็นิทานของวิกรตมจริตเนี่ยนะคะหรือไม่มีกรมาทิตย์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องคุณธรรมของโรงอย่างเดียว <ฮะ S 1> สิ่งที่สอดแทรกเป็นเรื่องที่น่าคิดคำสอนของเพื่อนแท้เนี่ยก็ได้บอกว่า ปุรันธอมเพื่นักเนี่ยท่านก็เกิดอยู่ในตระกูลไวัยศยาอันมั่งคั่งแทนที่จะขยันกิดนําเนินกิจการใหนะ้มันจเจริญยิ่งขึ้น ข, นขนไปเนี่ยสแสวงหารายได้เพิ่มพูแล้วก็เอาเงินนี้ไปใช้เกิดประโยชน์ท่านกับใช้จ่ายเราก็บเบีย้ยเงินการก็ไม่ทํารายได้ไม่มีมีแต่ไายจ่ายทําตนเป็นคนหรูหราในสังคมชั้นสูงเช่นนี้เนี่ยไม่ได้มีความเป็นวณิกบุตรลหล้เหลืออยู่เลยคือใช้อย่างเดียวไม่หาเออใช้ไปหาไปอย่างเพราะว่าครับ คิดดูเถอเพื่อนวิสัยของลูกผู้เป็นลูกของไบซยานั้นแม้จะอยู่อย่างหัวเดียวกระเทียมรีบ<ม>นะคือเอาอยู่คนเดียวนี่แหละก็<ม>ยังดิ้นลนสร้างฐานะของตนเองให้มีทรัพย์สินเพิ่มพูนเพื่อเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะเป็ น, นในพาณิชย์ใหญ่เป็นที่นับหน้าถือต่างคนทั้งหลายถึงคราวตกอับก็จะได้ทรัพย์สินที่สะสมไว้เป็นเครื่องประยุกฐานะไว้ไม่ถึงกับล่มจมคือค่าขายมีขึ้นมีลงประหลุษพึ่งป้องกันทรัพย์สินของตนไว้เมื่อถึงคราววิบัติจะได้ไม่ลำบาก พึงสลัดทรัพย์เพื่อเห็นแก่ภรรยาของตนเมื่อคราวจําเป็นเก็บเอาไว้ให้ภรรยาให้ลูกทําบุญอย่างไรก็ดีพึงป้องกันตัวให้รอดจากความวิบัติโดยนําทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยใชใ้เกิดประโยชน์ครพอได้ยินถ้อยคำนะนี้โบ ร, ราณทระก็บอกนี่แน่แต่นัธ า, าใครก็บอกว่าบุคคลพึงสะสมทรัพย์ไว้เผื่อความวิบัติมาถึงเนี่ยนั่มันไล่ความคิดนะแท้จริงเมื่อความวิบัติมาถึง คนร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมากเพียงไรก็เองชีพหายเหมือนกันหมดแหละว่ า, างั้นเลยนะออดวงมันมาอย่างนั้นอ่ะเพราะฉนั้นคนฉลาดอย่าไปเศร้าถึงในอดีตแล้วก็ไม่เดือดร้อนที่เกิดมาในอนาคตก็เอาเฉพาะหน้าเนี่ยให้มันดีๆและการมีความสุขครนะอยากจะออรูดปื้ดรูดปื้ดก็รูดไปรดปืดรูดปืดนี่ขึ้นสองเท่าเลยเอ อ, เออถึงเวลามันก็ต้องไปใช้นี่มันต้องมีบาดอยู่ดีมันมันก็เหมือนกันหมดเนี่ยเออพูดแตกนะ ใครก็ตามจะไปเศร้ากับอดีตจะเป็นทุกข์ร้อนกับอนาคตเลยคนฉลาดก็ใช้ปัจจุบันให้มันคุ้มค่าก็เรื่องอะไรเป็นพรมฤทิ์ขีดจะเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะคือถ้าจะล่มจมมันก็ล่มจมอะไรที่ถูกกําหนดมาให้เกิดก็ต้องเกิดกอน้ำมะพร้าวก็ต้องเกิดจากผลมะพร้าวจะอยู่สูงสุดก็ถูกกําหนดมาให้สิ้นสุดไปมันก็สิ้นสุดไปเหมือนผลมะขี้ดนั่นแหละเปลือกน้ายัยางไงก็ตกเป็นอาหารถูกช้างเคี้ยวให้หมดไปดูมันดูมัน คือทำได้เหมือนกันนะทำผิดผิดนี่เรียกว่ามีฉาบที่มีคนอย่างนี้ในสังคมเยอะและตกทอดมาถึงทุกวันนี้แล้วก็พูดครับมันหมดก็หมดมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเจ้มันเถอะเพราะว่าสิ่งใดที่ไม่เกิดขึ้นก็คือยังไม่ถึงเวลาที่กําหนดที่เกิดขึ้นมันกําหนดแล้วมันกระดิกนิ้วไม่ได้หรอกปล่อยไม่เถอะนะก็คือใครจะไขว่คว้าใครจะพยายามไปทํากันค้าก็ฉันไม่มีดวงมาทํากันค้ไม่ทําดีกว่า ันนว่่าไปเขาเรียกตาแบงค่อธนทก็อูปากไม่รู้จะพูดยังไงมันปล่อยไปอย่างนั้นแหละปุรันทระก็ดําเนินชีวิตตามเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามดุลทรัพย์สินมีเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายอย่างไม่อั้นในที่สุดสมบัติมหาศาลที่บิดามอบให้ไว้ให้ไว้กับหมดลงคุณจะยุ่กันบางทีเนี่ยการใช้ธรรมะในทางที่ผิดนะคะบอกว่าอะไรมันจะเป็นมากับเป็นไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่คือขาดวิริยะครับ ขาดความเพียรขาดวิริยะขาดปัญญาครับนะคะพอขาดวิริยะขาดตัญญาก็เลยเข้าใจว่าอดีตไม่ทากําเนินถึงปัจจุบันนี้ใช้มันให้เต็มที่อนาคตการมันมันจะสูงก็สูงไปครับนั่นแหละในที่สุดก็หมดตัวครับตอนนี้ภาพต้องตัดไปที่โฆษณาชิ้นนั้นแหละครับที่ว่าทุกคนกําลังอยู่ในงานสังสารลื่นเริงแม้แต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยานะครับที่มีงานมรสศพมากมาย ไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ในความพอเพียงก็สิ้นชาติไปได้นะครับนี่เป็นนิท า, านของตุ๊กตาตัวที่สิบสองซึ่งกำเนิดอธิบายเล่าให้ทาา้าพูช